ราชบุประถามได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทวขึ้นมาเพื่อเป็นการลำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อศัตว์โลกเป็นเหตุการณ์ที่ควรที่จะลำลึกถึง กมีบทเรียนบทสอนที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้เพื่อจะได้เกิดศรัทธาที่จะมีความตั้งใจที่จะพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามเพราะประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาและปฏิบัติตามนี้เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ทั้งหมดที่เราจะสามารถได้รับกันในโลกนี้เป็นประโยชน์ที่ทำให้เราได้หลุดพ้นออกจากคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นเองดังนั้นวันสำคัญสาคัญต่างๆของทางพระพุทธศาสนานี้ มีคติเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้ลำลึกถึงเพื่อจะได้เกิดศรัทธาที่แน่วหนาเกิดวิรยิยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่แก่กล้าเพื่อที่จะได้บรรลุผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหตุการณ์ในวันที่มีการตัก บ, บาทเทววันในวันนี้นั้น เมื่อในสมัยพระพุทธกาลเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จออกจากการจําพรรษาในสวรรค์พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาด้วยกันสสอนพระธรรมคําสอนอันประเสริฐจนทําให้พระพุทธมารดาได้หลุดพ้น จากการที่จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรยไม่ต้องไปตกนรกเพราะมีดวงตาเห็นถังมีแสงสว่างที่จะรู้จักทางว่าทางไหนไปสู่สวรรค์ไปสู่การหุดพ้นทางไหน ไปสู่การตกนรกไปสู่อาบายอันนี้มีกติสองอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในวันนี้คืออย่างหนึ่งก็เรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีที่บทธธิดาเช่นพระพุทธเจ้าได้มีต่อบิดามารดาในกรณีนี้ก็ มีความกตัญญูต่อพุทธมารดาผู้ให้กำเนิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเนื่องจากที่หลังจากได้คลอดพระพุทธเจ้าแล้วก็สงเสด็จสวรรคตไปเจ็วันหลังจากที่ได้ทำการคลอดแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้ตัดสู้เป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าแล้วมีดวงตาเห็นธรรมที่ประเสริฐโลดโลกแล้ ว, ลวก็ทรงลำลึกถึงพระคุณของพุทธมารดาที่ได้ให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นพระคุณของพุทธมารดานี้จึงพัอเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่อย่างมากสำหรับพระพุทธเจ้าพระคุณของเบดามารดาเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ของบทนาธิดาทั้งหลายบุทธิดาทั้งหลายจึงควรมีความสำนึก ในบุญคุณอันประเสริฐของบิดามารดาไว้อยู่เสมอเพราะถ้าไม่ได้ลำลึกถึงพระคุณแล้วก็จะอาจลืมได้เพราะเนื่องจากชีวิตจะมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องคอยเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่ลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาก็อาจจะลืมไป และอาจจะปล่อยปากแล้วเลยไม่เหลียวแหลบิดามารดาซึ่งอาจจะตกทุกข์ได้ยากก็ได้แต่ถ้าเราคอยลำลึกอยู่ทุกวันเช่นทุกเช้าทุกเย็นเวลาที่เรากราบพระเสร็จแล้วเราก็กราบพ่อกราบแม่แล้วก็ได้ลำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่มีเวลาว่างมีโอกาส ก็ไปกราบไปหามีข้าวมีของมีอะไรที่เพิมจะนําไปให้ก็ควรจะนําไปตามกําลังของเราอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่ให้กําเนิดกับเราถ้าเราไม่มีบิดาบิดามารดาเราจะไม่มีวันนี้ เราจะไม่ได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญเราจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรต่างๆมากมายกายกองดังนั้นถ้าเราได้กราบพ่อกราบแม่ทุกวันเราก็จะไม่ลืมพ่อคุณของพ่อของแม่เราก็จะได้หาเวลาไปทดแทนบุญคุณตามเวลาที่สมควร การทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามานานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะใช้บุญคุณของบิดาให้หมดไปได้ถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีคอยหุ้มคอยแบกคอยหานอะไรต่างๆให้กับท่านจนถึงวันสิ้นชีวิตของท่าน บุญคุณของท่านก็ยังไม่หมดไปวิธีที่จะทำให้บุญคุณหมดไปได้นั้นต้องทำให้ท่านหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายเพราะว่าการไปเกิดในอบายนี้เป็นเหมือนกับการไปติดคุกติดตารางนั่นเองไม่มีใครอยากจะติดคุกติดตารางกันและการที่เราจะทำให้พ่อแม่ไม่ไปติดคุกติดตารางในอบายได เราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ไปติดคุกก่อนเรารู้ต้องรู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ไปติดคุกติดตารางคือเราก็ต้องอย่างน้อยบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพ้าโสดาบันนี้จะไม่กลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปจะมีภพชาติเหลืออยู่ไม่เกินเจ็ดชาติในภพชาติเจ็ดชาตินี้ก็จะเกิดใน พบของมนุษย์พบของสวรรค์จนในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังจะไม่มีดวงตาเห็นธรรมจะไม่เห็นทางที่จะไปสู่สวรรค์จะไม่เห็นทางที่จะไปสู่อบายไปสู่นรกก็ยังจะต้องหลง ไปอบายบ้างหลงขึ้นสวรรค์บ้างตามการกระทำที่ทำไว้ในแต่ละวันถ้าทำบุญรักษาศี่งได้ก็จะไปสวรรค์ได้ถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศี่งทำบาปทำกรรมก็จะไปอบายได้แต่ถ้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจนจิตสงบมีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมา ก็จะเห็นการกระทำต่างๆว่าการกระทำอย่างไรทาให้ไปอบายการกระทำอย่างไรทาให้ไปสวรรค์พอเห็นแล้วอย่างชัดเจนก็จะไม่ลังเลสงสัยจะไม่ทำเหตุที่จะทำให้ไปอบายอย่างเด็กขาดเหตุที่จะทำให้ไปเกิดอบายคืออะไรก็คือการละเมิดศีลห้าข้อนี้ เช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการโกหกหลอกลวงการเสพสุรายามาถ้าลองได้กระทำการกระทำทั้งห้าข้อนี้แล้วผลก็คืออบายจะต้องตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด อย่างพระโสดาบันนี้ยอมตายดีกว่าทำบาปทํากรรมเพราะว่าความตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาจะทำบุญหรือไม่ทำบาปมันก็ต้องไปมันก็จะต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าตายโดยไม่ได้ทำบาปนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยหรือกลับไปเกิดไปสวรรค์ก่อน แต่ถ้ารักษาชีวิตด้วยการทำบาปอาจจะอยู่ต่อไปได้อีกไม่กี่ปีแต่หลังจากนั้นจะต้องไปใช้กรรมในอาบายซึ่งไม่คุ้มค่ากันเลยกับการที่จะมีอายุต่อไปได้อีกไม่กี่ปีกี่เดือนยอมอดตายดีกว่าถ้าไม่มีอาหารรับประทานอย่าไปยิงนกตกปลาไปทำลายชีวิตของผู้ร่น เพื่อเอามาเป็นอาหารอย่างชีพผลได้กับผลเสียไม่คุ้มกันผลได้ก็คือได้มีอายุอยู่ต่อไปอีกแต่ผลเสียก็คือจะต้องไปรับผลในอบายต่อไปดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชควาสนาอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าที่จะรู้ความจริงอันนี้ mm hmm. พอเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้กินได้ฟังได้ศึกษาเรื่องของการไม่ไปอบายว่าทำอย่างไรเรื่องของการไปสวรรค์เรื่องของการหลุดพ้นจากคุกตาราง แห่งการเวียนว่ายต า, ายเกิดเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของพวกเราเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกทางพวกเราก็จะต้องลงไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนเพราะเราจะไม่รู้ว่าการทำบาสนี้เป็นเหตุเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราอดอยากขาดแคลน เราต้องรักษาชีวิตของเราให้รอดก่อนความคิดแบบนี้ก็จะเป็นความคิดของเดรัฉานดีๆนั่นเอง mm hmm. เดรัชานเขาก็คิดอย่างนี้ที่เขากินสัตว์เล็กสัต์น้อย mm hmm. ก็เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้ถ้าเราคิดอย่างนั้นใจของเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะว่าถ้าอยากจะเป็นมนุษย์นี้เราจะต้องไม่คิดทำร้ายผู้อื่น ไม่เบืยอเบียนผู้นั้นเองดังนั้นขอให้เราลำลึกถึงเรื่องของความสำคัญของวันนี้คือเรื่องของความกตันยูนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่อุตสาเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อสั่งสอนพุทธมารดาที่เป็นเทวดาอยู่สามารถสอนจนพุทธมารดามีดวงตาเห็นธรรม เห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทําแบบไหนทําให้ไปอาบายการกระทําแบบไหนทําให้ไปสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องคติอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวันตัด บ, บาตเทโวโออีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของพลังจิตพลังจิตของพระพุทธเจ้านี้มีพลังมากสามารถที่จะทําให้พระพุทธเจ้านั้นติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ การติดต่อของเทวดานี้พระพุทธเจ้าคือร่างกายของพพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสวรรค์เพราะร่างกายนี้ไปไหนไม่ได้ร่างกายติดอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่แต่ในโลกนี้แต่สิ่งที่ไปสวรรค์นี้ก็คือจิตคือพลังใจพลังจิตถ้ามีพลังจิตมีพลังใจแล้วจะสามารถส่งจิตนี้ให้ไปตามภพต่างๆได้ ให้ไปพบปกับเทวดาพบกับพรมพบกับพระอาหารหันต์พบกับพระพุทธเจา้าหรือจะให้ไปพบกับเปรตพบกับผีก็ได้พบกับนรกก็ได้สามารถไปได้หนดพลังจิตถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเครื่องบินที่มีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะบินไปไหนมาไหนได้พวกเราก็มีจิต แต่เราไม่มีพลังจิตเราไม่มีน้ำมันเราไม่เติมน้ำมันกันน้ำมันที่จะทำให้เกิดพลังจิตขึ้นมานี่คืออะไรก็คือการทำบุญให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การนั่งสมาธิถ้าเราทำบุญแล้วเราก็จะรักษาศีลได้เรารักษาศีลได้เราก็จะนั่งสมาธิได้พอเรานั่งสมาธิได้ ใจของเราก็จะมีพลังสามารถส่งใจไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆได้อยากจะไปพบใครอยากจะหาใครก็ไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำ ม, มา mm. เกิดจากพลังจิตที่พวกเรา mm. ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ mm. พวกเรามีเครื่องบินแล้วแต่เราไม่มีน้ำมันเติมเครื่องบินเท่านั้นเอง ค่องบินเลยจอดอยู่กับพื้นไปไหนมาไหนไม่ได้จิตของพวกเราก็เหมือนเครื่องบินตอนนี้ขาดน้ำมันจึงทำให้ไม่สามารถบินไปตามพบต่างๆได้ถ้าเราหมั่นเติมน้ำมันอยู่เรื่อยหมันทำบุญรักษาศีลนั่งสมาธิไปเรื่อยสักวันหนึ่งจิตของเราก็จะบินขึ้นไปสู่พบต่างๆได้ ไปพบกับเทวดาได้ไปพบกับพรได้พบกับพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าได้ดังนั้นขอให้พวกเราที่ยังไม่มีพลังจิตนี้อย่าประมาทตัวเราเองพวกเราทุกคนนี้จิตของพวกเราทุกคนเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลายต่างกันตรงที่จิตของเราไม่ได้เติมน้ำมันเท่านั้นเอง จิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหรนันต์นี้ท่านเติมจนเต็มถังเลยท่านถึงสามารถบินไปถึงพระนิพพานได้พวกเราถ้าหมั่นเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆต่อไปน้ำมันก็จะเต็มถังพอเติมน้ำมันเต็มถังแล้วทีนี้ก็สามารถบินไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเรา แล้วก็จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นเหมือนพวกเราที่เป็นคนเป็นเป็นเครื่องบินที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันแต่พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเริ่มเติมน้ำมันกันอย่างขมักขม้นเติมกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อมเพียงในเวลาไม่นาน ก็เติมน้ำมันเต็มถังพอเติมเต็มถังแล้วก็บินขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่ตางๆบินไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดในวัฏฏะวนได้ในวัฏฏะสงสารได้อันนี้แหละคือคติที่สำคัญถ้าเราเข้าใจแล้วจะทำให้เราไม่ประมาทตัวเราเอง เราก็มีอนาคตที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้มีอนาคตที่จะหลุดพ้นจากอบายได้มีอนาคตที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้เพราะจิตของพวกเราทุกดวงนี้เหมือนกันหมดมีความสามารถที่เท่ากันหมดถ้าเราเติมน้ำมันให้จิตของเรามีพลังขึ้นมาเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าเราเหมั่นเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆทําบุญอยู่เรื่อยๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆทุกเช้าทุกเย็นหรือจะมากกว่านั้นได้ยิ่งดีถ้าออกบวชได้ยิ่งมีเวลาที่จะนั่งสมาธิได้มากขึ้นการนั่งมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับการเติมน้ํามันอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราเติมน้ํามันทีละห้าบาทสิบบาทนี่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเต็มถังแต่ถ้าเราไปที่ปั๊มเราสั่งให้เขาเติมให้เต็มถังเลยไม่ไม่อั้นเท่าไหร่ก็เติมเข้าไปเติมเดียวเดียวน้ํามันก็เต็มถังถ้าเราอยากจะให้น้ามันเต็มถังในใจของเราเราก็ต้องเติมแบบไม่อั้นเติมแบบไม่หยุดไม่หย่อนอย่างพวกนักบวชนี่แหละเป็นพวกที่เขากาลังเติมน้ามันกัน อย่างไม่หยุดไม่ย่อนทั้งวันทั้งคืนนี้มีแต่นั่งสมาธิมีแต่เดินจงกรมควบคุมใจให้สงบอยู่ตลอดเวลาพวกนี้จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วในสมัยพระพุทธการนี้มีการบรรลุพระนิพพานานี้เป็นจำนวนมากเพราะว่ามีการเติมน้ำมันการอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง สมัยนี้ไม่ค่อยมีการบรรลุกกันเพราะไม่ค่อยเติมน้ามันกันนานทีเปโหนจะมาเติมกันสักครั้งอย่างวันนี้วันออกพรรษาวันตัก บ, บาตเทโวก็มาเติมกันสักครั้งหนึ่งวันอื่นๆก็ไม่ได้มากันน้ามันจึงไม่ค่อยมีจึงไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เลิศที่วิเศษได้ แต่วันนี้อย่างน้อยเราก็ได้มาฟังสิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะให้เราเกิดศรัทธาที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเราให้กับการเติมน้ำมันให้กับใจเพราะไม่มีใครเติมให้เราได้เป็นอัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถตนต้องเป็นผู้เติมน้ำมันของตนเองเท่านั้น ถ้าเติมได้แล้วก็จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญใส่บาตรในวันตัดในวันตัด บ, บาตรเทโวนี้ขอให้ท่านได้นำเอาคติเตือนใจทั้งสองข้อนี้ไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเถิดคือหนึ่งความกระตันยูกระตเวทีสองการเติมพลัง เติมน้ำมันให้แก่จิตใจขอให้นำเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้นับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย